بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصله وسلم على أشرف الأولين و ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين ثم م ا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ن ض ا ن خوش ع ي و ن ي وتحان تي توقضون ที่เที่ยงทำย่อมเป็นแนวทางที่มีแต่อุปสรรคมีความยากลำบากทุกคนที่ต้องการความถูกต้องจะพยายามหาสัญญาณปลอบใจตัวเองว่าเราถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการปฏิบัติคาเป็นวาจาหรือเป็นเป็นข้อปฏิบัติเราพยายามที่จะทำให้ถูกต้องไม่มีใครหรอกที่มีสติมีความฉลาดจะเลือกความผิดเลือกสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอามาพูดเอามาปฏิบัติแล้วภูมิใจ ในความผิดนั้นๆไม่มีหรอกทั้งที่รู้ว่ามันเป็นความผิดเป็นความชั่วนะมันไม่คนที่มีสติคงไม่ทำกันหรอกแต่ที่สุดแล้วอันนี้เป็นเรื่องศาสนานะความถูกต้องความเรื่องศาสนานะความผิดความถูกต้องในเรื่องศาสนาเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งคนใดไม่มีไม่มีสิทธิ์เลย ที่จะสถาปนาความถูกต้องกับตัวเองโดยไร้เหตุผลทางศาสนบนัญญัติบอกว่านี้ถูกนี่ผิดโดยไม่มีเหตุผลทางศาสนาเลยนี่มันมันเป็นไปไม่ได้ทำาทํทำไม่ได้ฉะนั้นเราอยากจะพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องพยายามหาเหตุผล ทางศาสนาอินมากที่สุดและในเมื่อศาสนานี่ไม่มีอะไรที่จะอ้างอิงว่าเป็นคําสั่งสอนของศาสนาที่จะชี้นาถึงความถูกต้องเนี่ยดีไปกว่าอัลกุรอานและฮะดิซของ่านเนบิสซุลลัมอัลกออฮะเนยูัลการที่เราศึกษาเรียนรู้ตัวบทจากอัลกุรอานและหะดิซและพยายาม พยายามศึกษาเนื้อหาความหมายที่น่าจะใกลเคียงที่สุดจากหลักภาษาหลักตีความและโดยเฉพาะการตีความของบรรดาผู้รู้ที่มีชื่ชอเสียงศึกษากันแบบนี้จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้น เราหน้าจะใกล้เคียงกับความถูกต้องเพราะเราอยู่กับกุรอานอยู่กับฮะดิษตลอดเวลาจะรอกเนี่ยฮะดิษเราศึกษากันเนื้อหาที่เราศึกษากันยิ่งห่างไกลจากัลกุรอานและฮะดิษยิ่งหน้าเป็นห่วงว่ามันจะมันจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนหน้าเป็นห่วงเพราะคำพูดของมนุษย์ความคิดของมนุษย์ มนไม่มีอะในการันตีว่าความถูกต้องต้องอยู่กับเขาเสมอแต่ว่าคนคนนั้นมีชื่อเสียงมีมีการน่าเชื่อมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ตามเขาจะดังแค่ไหนถ้าหากว่าเขาไม่มีอัลกุรอานและฮะดิษมาอยู่ในเนื้อหาความคิดของเขาอะมันก็ยังเป็นความเสี่ยง และนี่คือสิ่งที่ทาให้ผมเลือกเลขกที่จะสอนความหมายูุรานและฮาริตอก่อนนู่นะจะมีบรรยายสัปดาห์ละสองรอบวันอังคารหรือวันพุธกับวันพะหับหรือวันศุกร์วันอังคารหรือวันพุธนี่จะเป็นต่ซีรวันพระหรือวันศุกร์นี้ก็จะเป็นฮาิส ตัวผมเองเนี่ยลำพังความรู้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะให้ความรู้นี่มันมันมีเสน่ของของมันเนี่ยโดยไม่มีหนื้อหาจากคัมกุร์และคัมีรก็จะไม่ต่างอะไรกับู้ชาการอื่นๆที่เราแสวงหากันในโลกนี้แล้วมาสร้างความเสน่หความสวยงาม ด้วยวาทศิลป์ของตัวเองหรือความสามารถส่วนตัวแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าเนี่ยถูกต้องแล้วศัทธรรมแล้วไม่ใช่สิ้นการเลียที่จะสอนหลักวุฒอ่านและเียนมันก็เป็นแนวปฏิบัติของบรรดาผู้รู้ทุกยุคทุกสมัยที व, व ่เขาพยายามที่จะ แสวงหาสัญญาณที่จะปลอบใจตัวเองว่าว่าเนี้ที่เขาคิดมาวินิจฉัยมาที่เขามันกลเคียงกับตัวบทคนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยคนรุ่นหลังอย่างเราเราเนี่ที่ไม่ได้เจอท่านละบีไม่ได้ไม่ไดีฟังกุษานจาก ปากท่านนบีไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กับตัวนบีหรือแม้กระทั่งสหบ้านติดขัดอะไรไม่เข้าใจอะไรนี่ก็ถามนบีเลยอะไรอะไรประมาณเนี้เราคนรุ่นหลังอย่างเราเราไม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้ แต่สิ่งที่มีความเสมอภาคระหว่างเรากับสหาบ้านนี้ก็คือกุรานที่สหายบ้านอ่านนะละฮะดีซีสหายบ้านเขด้ินจากท่านดับบี้สุลลัลในสัลเลมนี่เราสามารถเข้าถึงได้บางทีเราอาจได้เปรียบมากกว่าสหาบะานบางกลุ่มบางท่านดยซ้ํำไปสหาบ้านในยุคนวีนี่ไม่ใชทุกคนที่มีกุรานครบเล่มในมือนะ ไม่ใช่นะอต่นี้คนรุ่นหลังนี่ดูสิถึงแม้ว่าไม่ได้ท่องจากุรันไม่ได้แต่อยากจะอ่านกุรานทั้งเล่มเนี่ยก็ยังได้หลยยังได้อดีศก็เหมือนกันไมัยุสซาฮาบะทุกคนที่ที่เรียนรู้รับรู้อัษการยามเชา้ายามเย็นทั้งหมดที่ใ น, นมุสฮะสองซาฮาบะทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีซาฮาบะท่านหนึ่งก็จะได้อัษการท่อนหนึง่งอีกท่านหนึ่งก็จะได้อีกท่อนหนึง่ง อีกบทหนึ่งจะได้รู้อสการทั้งหมดเลยนะคนรุ่นหลังนี่อาจจะได้เปรียบมากกว่าได้เปรียบในการเข้าถึงนะไม่ใช่ไม่เปรียบในการปฏิบัตินะเพราะถึงคนรุ่นหลังนี่รู้อสการทั้งหมดมันจะไม่ขาดสักบทนึ่งนะแต่สการ์สวาร์บอสการ์เียมเชนสวารบเนี่ยารู้บทหนึ่งเท่ากับขาดทุกวันถึงกูเล่มาเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องการอสการ์เมเชน ยามเย็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องกล่าวทั้งหมดเลยโหเป็สิบบทนะเป็นสิบสีบทแล้วนะยามเช้ายามเย็นไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกล่าวทั้งหมดเพราะมีบางคนโอ้โหอัสการยามเช้ายามเย็นสองสามหน้าสี่หน้าเนี่ยเท่ากับอ่านกุทอ่านกี่หน้าใช่ไมแหม่แหม่ไม่กล่าวเลยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าต้องกล่าวอัสการยามทั้งหมดเลยเนี่ยไม่บางส่วนก็ได้สิกข้เดียวก็ได้ ดกดก็พอแต่ขอให้กาทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกคืนทุกเชา้าทุกเย็ยนเราได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลความรู้แน่นอนแม้ระตั้งผู้รู้ในยุคหลังอะนะรุ่นหลังได้โอกาสในการเข้าถึงความรู้ต่างๆวิชาการต่างๆเกี่ยวกับศาสนานี่มากกว่าคนรุ่ น, นรุ่นก่อนเทคโนโลยีนี่เ อ, อืเออเออ้อเอื้อเยอะเลย อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะนั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีเรียนรู้กุษยานัลหะดีษกับท่านนบีสอนเราสั่งลัมโดยตรงแต่การเข้าถึงกุษอ์อัลฮะดีษเนี่ยสามารถที่จะสร้างบรรยากาศความใกล้ชิดระหว่างพวกเรากับท่านนบีความใกล้ชิดนี้ มันไม่ใช่นามาทำที่เราจะมาปอบใจตัวเองว่าโอ้นี่เราม่อยู่ท่านนบีเราก็ห่างจากท่านนบีเราก็อ่านฮะดีสรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่กันนบีอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เราเปรียบเทียบการที่เราเรียนรู้หลักการศาสนาจากอัลกุรอานและฮะดีสเนี่ย เปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนบีสลนเาอะมันเป็นความใกล้ชิดที่มีความเป็นรูปธรรมเปรียบเทียบได้เหมือนเรื่องดวอาะอัลล์บอกในคุรานอวยด่าซาลกัาดอันนีฟอนนีกุรล้้อุจีบด่าวดินไดถ้าบาขคงข้าีได้ถามว่าข้ายู่ไหนอัลลอ์ยุ่หนอัลลฮ เพราะอินนี่รบุญทจริงนะฉันอยู่ใกล้ชิดกรีบใกล้ชิดพวกพวกเขาอูจิบุดาอวตัดเดนี่นี่คือขณนะจะใกล้ชิดขณนะที่พวกเขาดาวตัดแดนการวิงวอนการร้องขอของเขาขณะของ เนฮาริสมันทึกโดยมุรนมุสลิม่นั่นนบีสุลแะอัลลัมบว่ากคนที่มาเนี่ก็เปรียบเสมือนอัลลอฮ์นี่อยู่ตาอยู่ตหนาพระผักของอัลลอฮ์ ن, ب ب ن ه และเาอเนข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นข้อปฏิบัติที่มันจะต้องดอาจจว่าที่ที่อัลล์บอกว่าถ้าดูอาอัลลอ์นี่อัลลอ์อยู่ใกล้ชิดเรานี่การที่เราจะรู้สึกว่าอัลลอ์อยู่ใกล้ชิดตอนดูอาเนี่ยมันก็มาจากต้อด และใช่ไหนเลยถ้าข้อปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดพระองค์นี่นะก็ตัวบทนี้มันก็ย่อมมีสถานะเดียวของข้อปฏิบัติของเราแต่หมายถึงว่าถ้าเราอ่านกุรานถ้าเราอ่านกุรานและอยากจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุหาน์จะเหมือนเราก็ลังฟังจากท่านนบี หร <tinc S 1> God. ือเรากําลังฟังกุูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตาอะไรนั้นก็ย่อมเป็นไปได้และนบีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ทางตรงและก็ทางอ้อมในบรรทุกขึงบุคคลในมุสลิมท่านนบีพูดถึงตําแหน่งอิฮซานซึ่งทั้งเรื่องอิสลามและก็ إ ي م ا นและก็อิฮซานในสามตำแหน่งสามระดับนี้ผู้ที่มาสนทนาธรรมกับท่านนบี เพื่อถามเรื่องของศาสนาเนี่ยคือท่านจิบริเล็และท่านจิบรลเนี่ยย่อมมีความสันทัดกรณีเกี่ยวกับความใกล้ชิดกับพระเจ้าแน่นอนพท่านจิบรลนี่อามีนุลวะฮีเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนาวะฮยู่นพระดรของอัลล์นีจากอัลล์เองนะ ما تايت ثوب يعندان النبيه لرسو ليه؟ هو قوق ق ي ت شين يبريز ي ถา تاني النبي فمل ا ا ا ح س ا ن ا ح س ا ن ن ا ي النبي كتب أن ت ع ب د الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن ه يراك هاي ا ح س ا ن ن ا هي عباده تعب الله قريب سمن ع เจ้ามองเห็นอัลลอฮ์ถ้าเจ้าไม่มีความรู้สึกไม่มีไม่มีสภาพที่เหมือนมองเห็นอัลลอฮ์นี่ก็ให้เจ้าเนี่ยอิบารัดต่ออัลลอฮ์เสมอเนว่อเพราะองค์เนี่ยมองถึงเจ้ามีสองตำแหน่งของไอศาตทำอิบารัดเหมือนมองเห็นอัลลอฮ์หรือทํำอิบารัดเหมือนอัลลอฮ์มองเห็นเราคาว่าอิบาดัดนี่นะมันเป็น คำทั่วไปอะไรบาา้างนี่ตัดออกนะแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มันเป็นอะไรบาา้างอิฮซานอ่านกุศอ่านเสมือนมองเห็นอันลลอฮ์ก็หมายถึงว่าเหมือนมองเห็นอันลลอฮ์กำลังอ่านกุอานหรือทําไม่มีเช่นนั้นนะ่ะก็อ่านกุอานเสมือนอันลลอฮ์กำลังมองเห็นเราก็ที่กําลัง ส ah. <te ic> ิครุณน nice. ่าเสมือนมองเห็นอัลลอฮ์แต่ไม่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เสมือนอัลลอฮ์มองเห็นเราแล้วก็สลับทุกทุกเรื่องที่มันเป็นอิบาดะนี่เอามาตั้งที่ที่เราทําป็นบาดาทำความดีกับพ่อแม่เป็นอิบาดะทำไหมอิบาดะทำความดีกับพ่อแม่เสมือนอัลลอฮ์เสมือนเรามองเห็นอัลลอฮ์ทำความดีกับคนอื่นทําความดีในสังคมเสมือนมองเห็นอัลลอฮ์คุณเคยมองกล้องวงจรปิดมีไหม ทำความดีมีใครกำลังทำคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์ไม่คอนเทนต์วะ น, นีนนม่มันนบ้าคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวนอีทำทำคอนเทนต์เรื่องดีๆทั้งนั้นแนหะแต่ต่อหน้ากล้องที่จะบันทึกภาพแล้วก็เผยแพร่ให้คนดูก็ดีแต่หารู้ไม่ว่า คอนเทนต์ที่เราได้ทําต่ออัลลอฮ์นี่โดยที่มีไม่มีใครมองนะนอกจากพระองค์ท่านเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้คอนเทนต์ที่เราได้ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่นะมีประโยชน์หลายล้านเท่ามากกว่าประโยชน์ที่คนไปไลค์ในในโซเชียลนี่โอ้ยคอนเทนต์นี่คนไลค์เป็นแสนเป็นล้าน จำนวนคนนี่ไม่เท่ากับจำนวนมาลายกาถ้าอัลลอ์จะให้มาลายกานี่ได้ได้เห็นผลงานของเราและก็ชื่นชมในผลงานของอัลลอฮ์ประสงเนยมันดีท่านนบีร์บอกอินนัลลอฮะไอ้ี่ัลลระโสะจะน่าจะจิบริลตัลลอฮ์จะรักใครนะในบรรดาเบาของพระองค์นี่อัลลอฮ์รักใครนี่จะเรียกจิบรลมา ยาดิบริลว่าอิมนี่บับตุฟุลันั่นฟะอับบะวิบริลการกบางของข้าคนนี้แล้วเจ้าจงรักเขาด้วยฟอยูน่ที่ิบริลอยสัมมาดิบริลนี่ก็จะประกาศไปยังฟากฟ้าทั้งหลายมีนัยยะไง ไมกาศยังฝากฟ้านมีผู้ติดตามมามนุษย์ฝากฟ้านี่ผู้อาศัยอยู่นี่มีแต่มาเลย์กันไปยูนาดีจิบรีลุฟสมยังฝากฟ้าทั้งหลายอินนัลลอฮฺัดอฮบบฟุลเล่นัานฮิบูอัลลอฮ์นี่ทรงรักเบาของพระองค์คนนี้แล้วเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงรักเขาด้วยเถิดคำสั่ง ไฟชอบผู ه ه ้อหาลสวรรชาวชั้นฟ้าทั้งหลายคนผู้ที่อาศัยอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายนี่ก็จะรักให้บางคนเราคนนี้ไฟชอบผู้มันสวรรค์ถ้าภายหลังจากนั้นน่ะก็จะก็จะถูกบันทึกหรือตัดสินหรือพิพากษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนผิวโลกใบนี้ย ก็จะยอมรับในตัวเขาบนผิวโลกใบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวกัม่มนุษย์อย่างเดียวก็นมียินพี่น้องยินของเรายินผูสัาก็ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเราด้วยถึงแม้ว่าเราบอกไม่เห็นและนี่คือข้อแตกต่างระหว่างข้อปฏิบัติ ด้วยความศรัทธาในเร้นลับในเรบกับข้อปฏิบัติด้วยความเชื่อในสิ่งที่สัมผัสได้ปฏิบัติความดีเพราะมีอิมันต่อเรบต่อสิ่งเร้นลับมันคือสัญญาณของความบริสุทธิ์ใจแต่ปฏิบัติเพราะมันมีตัวพิสูจน์ เช่นคนไล่เยอะคนติดตามเยอะเป็นกระแสะในโซเชียลแต่มุมที่เราต้องการนะพ่อเดี๋ยวอายะที่ที่เราจะอธิบายวันนี้เนี่ยอายะ45ใช่ไหม45ถึง60เนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นการให้กำลังใจ ให้กำลังใจกับท่านนบีให้กําลังใจกับผู้ศรัทธาสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับอายะนี้นี่ก็คือเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจที่ที่อัลลอฮฺจะให้กับท่านนบีเรานี่ผู้ศรัทธาทุกยุคทุกสมัยนะเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจที่ท่านนบีต้องการ และการที่เราเป็นกำลังใจให้ท่านนบีนั้นก็มีหลายรูปแบบมีหลายแขนงที่เราสามารถทำได้เราจะมั่นใจได้ว่าท่านนบีจะมีกำลังใจเรื่องแรกก็คือศรัทธาเรืแรกนี่คือศรัทธาการที่เราได้ศรัทธา จะจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนั่นเป็นกำลังใจสำคัญของท่านนาบีเพราะมันเป็นตัวพิสูจน์ถึงความศัก์จริงของอัลกุรอานที่สามารถไปถึงทุกซอกทุกมุมในโลกใบนี้ดังที่ท่านนาบีเคยพยากรณ์ว่ามันจะเกิดขึ้น เ น, นทีนออมัดบดบอกว่าเลวิบลุกนันี่าาานาาการนี้คือคาสั่งสอนาการเทศนาของข้านี้เนี่ยจะไปถึงทุกส่วนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ที่มีกลางวันและกลางคืนที่มีกลางวันและกลางคืนอิสลามจะไปถึงซึ่งเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริง การประกาศอิสลามในทุกพื้นที่ในโลกนี้ในรูปแบบการประกาศทุกรูปแบบของอิสลมาลมศรัทธาด้ละหมาดละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านละหมาดนอกบ้านนั่นเป็นการปรากฏการของอีม่านในพื้นที่นั้นๆซึ่งมันเป็นสัญญาณบ่งถึงความสักดริงของท่านนบีสุลต่าน การที่เราศรัทธาการที่เราได้เรียนรู้คำสั่งสอนของท่านนบีห่างไกลทั้งระยะทางแล้วก็ระยะเวลายุคสมัยนีมันห่างกันเป็นพันปีแล้วแต่ก็ยังมีคนที่เอ่ยถึงท่านนบีสโลัลซันเลิกหาดีส่ง ท, ท, ท, ท่านนบีคำสอนของ ท, ท่านนบีนี่เป็นกำลังใจที่แน่นอน ท่านนบีได้บอกท่านนบีลลฮอัลฮวะัลมท่านนบีได้แจ้งว่าบุคคลที่สละวาดต่อท่านนบีลต่าละฮ์อลฮวะสัลมจะได้มีเกียรติที่ท่านนบีเนี่ยจะรับสละวาดและสลามของรับซึ่งมีหลายหะดีษหลายบทที่จะบอกถึงการตอบรับสละวัดของท่านนบีสุลตลฮอลฮวะัลม มีบางบทที่บอกว่านบีรับสลามรับสลวัดแต่ไม่ได้พูดในในตัวบทนี้ไม่ได้พูดว่ารับสลามรับสลวัดหรือรับรู้ว่าคนอื่นสละวัดท่า น, นอบเบี๊ยงไงนี้ไม่ได้บอกแต่มีบางบทนี่บอกบางบทนี่บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะให้มลายการนี่ได้รับสลวัดรับสลามไปสง่งถึงท่านอับดุลเบี๊ยสุลลัลลอฮุวาลัย บางรายงานบางฮะดีษนี้บอกว่าสฮามานีจึงทักท่านนาบีบอกว่าแล้วจะมาอะไราการนี่จะเอาสลวาดมายัางกันถึงแม้ว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วอ่ะท่านนาบีบอกว่าอัลลอฮ์นี่จะให้ฉันมีวิญญาณตอนนั้นนะเพื่อจะได้ตอบรับสลวัดและตอบรับสลามของของประชาชาติของฉันและนี่เป็นเหตุผลของ อุาอลมามะซูฟีบางท่านที่บอกว่านาบียังไม่ตายหรอกทำไมเขาบอกคนสลวัตรนบีตลอดเวลาใช่ไหมคนสลวัตนบีตลอดเวลาแล้วเราจะให้นบีมีวิญญาณจะได้ตอบตลอดเวลาก็แสดงว่านาบียังไม่เสียชีวิตเลยคือเขาเปรียบเทียบ <c ười> เขาเปรียบเ <c ười> ทีบเเย บ, ทบตามกฎเกณฑ์ของโลกนี้แต่นบีนี่เสียชีวิตนี่มี กฎเกณอาและมบร์จราคณิตที่มันแตกต่างกันเราจะเอามาเปรียบเทียบเหมือนชีวิ ต, ช, วตชีวิตตอนมีชีวิตไม่ได้แล้วมันขัดกับคําสอนของท่งนานนบีเองของอุษฎะเหนี่ว่าอินนะกัม่หยีตุน้นหวอินเดงไม่ตุนเจ้าต้องตายเฉกเช่นคนอื่นก็ต้องตายกันหมดแหละเราจะบอกว่านาบีไม่ตายนาบีมีชีวิตแล้วก็เอาหันนีอื่วนอื่นมาตีความแต่เหตุผลหรือเคล็ดลับนี่ว่าทําไมนบีบอกว่า ฉันเนี tarde, e e bow, ่ยจะตอบสลามตอบรับสลามและสละวะและรับรู้สละวะของคนอื่นเนี่ยสำหรับทุกคนที่สละวะอุลามะได้บอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์สละวะนบีมากที่สุดนี่คือคนที่เรียนรู้หะดิษของท่านนะี่สุลลัลละวะเลซัลและนี่น่าจะเป็นเป้าหมายของท่านนบีก็หมายถึงว่าคนที่สละวะนบีโดยเรียนรู้หรือใกล้ชิดกับคําสั่งสอนของท่าน ไม่ใช่เพียงสลาวะนบีเป็นซิเกตหรือเป็นวีริศเข้าใจวีริศนะเราก็สามารถทำได้นะมสลาวะตัวท่านนบีลาอูมุสลอัลลอฮ์นบีอัลลฮ์มุสลิอัลสลิอัลลอฮ์นบีอัลลอฮมุฮัมมัดาลีร้อยครั้งหนึ่งพันครั้งก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ในสุนนะของท่านนบีก็มีส่งเสริมให้ท แต่จะไม่มากกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคําสั่งสอนของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสารและ ก, กล่าวสัลลวะะนบีขณะที่กําลังเรียนรู้คําสั่งของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสารและโดยเหตุผลนี้การที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีด้วยการถวยเเพ่คําสั่งสอนของท่านนาบีมันเป็นกําลังใจสําคัญให้แก่ท่านนาบี และนี่คือเหตุผลว่าทําไมท่านนบีสุลต่านละวะละยุสัลลัมได้บอกว่าเตจัวจุอัลวัดูดะลูดจงแต่งงานจงสมรสกับสตรีอัลวดูดที่แสดงความรักใคร่ต่อสามีมากที่สุดหมายถึงว่า ภรรยาที่จะมีพลังพลังจิตใจที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อสามีมากที่สุดเนี่ยเนี่ยสตรีประเภทเนี้ยจงหาสตรีแบบนี้ที่กะแต่งงอัลวารูดวารูดนี่ก็คือที่สามารถตั้งคันบ่อยมีความแข็งแรงร่างกายของนางนี่แข็งแรง สตรีที่มีพลังจิตใจที่จะแสดงความรักต่อสามีมีเป็นสัญญาแสดงถึงความสามารถของนางในการอบรมดูแลสั่งสอนลูกๆให้มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งหลังการที่นบีใช้ให้เราได้แต่งงานอัลวดูดอัลวลด ที่มีความรักใคร่ต่อสามีแล้วก็มีความสามารถในการตั้งครันแล้วก็มีลูกเยอะทําไมล่ะอินมีหมูกาิรุนบิคุมุลอัมบียอายุมันขีดมาปรอข้าพเจ้าจะ อ, อวะ้วดต่อบรรดานบีนะถึงจํานวนประชาชาติของฉันไม่ใช่ประชาชาติที่ไม่อ่านฮะดีษของท่านอบีเลยไม่สลวะตรงข่านอบีเลยเพราะประชาชาติ ประเภทนี้เนี่ยในฮะดิสอื่นเนี่ยนบีบอกแล้วน่ยพวกนี้คือสวัส์ไม่น่าภูมิใจไม่น่าเอามาอวดนะไม่น่าเอามาอวดเกิดมาทั้งทีเป็นมุสลิมชื่อก็ชื่อมุสลิมแต่ไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านพุทอสานสักครั้งไม่เคยเรียนหะดิสสักบทไม่เคยปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสักหน่อยท่นานนบีจะม่ภูมิใจไ่อวดนะม า, าบรรดาอบีราล่ะนนบีหมายรวมนี่ ทำไมอ่ะเพราะมาเลย์ก้าที่เขาจะเอาสลาวะของเรานี่ยไปบอกกับท่านน บ, บีนะ่ะฮะดีษบางบทนี่มาเลย์ก้านี่เขาจะเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเลยนะคือบางทีเนี่ยผมพูดถึงหะดีษมันมั น, ม, นมันไม่อยากจะเชื่อแตม่มันมีตัวบท น, นะมีตัวบทมาเลย์ก้านี่จะเอาชื่อเราเนี่ยไปบอกกับท่านน บ, บีว่าคนนี้ลูกคนนี้เนี่ยเขาสลาวะ ต, ต่อท่านเะน้ออนบีมุฮัมมัด นบีจึงรู้สิว่าใครที่ศลวะแลใครที่ไม่ได้สลวะันอยฮดีสบทหนึ่งมันถึเดอตบบรอนีแสารเง้นไสารเงินไม่คยแทแรงนบีบอกกับสหาบ้านีว่าข้าพรเจ้านี่ยรู้จักประชาชนของฉันมีทั้งหมดเลยในห้องนี้นะกานบีเชื่อในมัสยิดในห้องนี้ก็หมายถึงว่าในมัสยิดอนนั้ในห้องนี้ รู้จักประชาชนเหนือรู้จักหมดแล้วสอาบะได้ถามท่านนาบีว่าคนที่มีชีวิตนะ่ะกระพอที่จะกินตนาการได้ว่าท่านนาบีรู้จักยังไงคนที่มีชีวิตน่ะหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะนะท่านบีหมายถึงว่าตอนนั้นนะ่ะถ้าหมายถึงคนที่ตอนนั้นมีชีวิตฉนันรู้จักหมดแล้วก็พอเป็นไปได้ที่จะจินตนาการได้ แต่สถบันนั่นมีอะไรกับคนนี้ยังไม่ได้เกิดละ่ะหรือคนนี้ตายไปแล้วละ่ะและท่านจะไม่ไม่เคยเจอไม่นบีบอกว่าหันในหะดิษในบทเนี้ยนะในสำนวนนี่บอกว่าท่านนาบีลลสุลต่านบอกว่าอัลลอฮ์ได้จำลองภาพของประชาชาติเหล่านี้ขอคนนี้ยังไม่ได้เกิดจำลองรูปร่างของเขาด้วย น้ำและดินให้ข้าพเจ้าได้เห็นหมดแล้วมันมีข้อสังเกตว่าในบรรดาตัวบทเนี่ยการที่นบีคุ้นเคยกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมักจะผูกพันกับเรื่องประชาชาติของท่านนาบีที่ทำอิบาดชนิดหนึ่งหรือยืนหยัดในแนวทางท่านนาบีสลุลสลอะไรประมาณนี้บทตัวบท ที่จะชี้ถึงเรื่องนี้เนี่ยมีและกระเสะห้ด้วยเช่นฮะดีสในบันทึกของบุคคลีและมุสลิมที่ท่านนบีพูดถึงความประเสริฐของการอาบน้ําละหมาดนบีบอกว่าอยู่บัสุตุบัสูนยอมลกิยามตี غ ر ن م ح ج ل ي ن م ِ ن َ و ك و َّ ه ُ م ْْ وَقَوْمُكُمْ ل َ ي ُ م ْ ف ِ ر ْ س ن وَرَمْعٌ وَمَعْرِفَةٌ و َ م َ ع ْ ر ِ ف م ة و ق َ ا ل و ا ي ا ر س و ل ا ل ل ه ك ي ف ت ع ر ف ن ا م ن ب ي ن ا ل ا أ م م ท่านนบีจะรู้จักเรายังไงขณะที่ตอนฟื้นคืนชีพเนี่ยประชาชนอิสลามเนี่ยไม่ได้ฟื้นคืนชีพเพียงประชาชนอิสลามฟื้นคืนชีพมนุษย์เสชาติทั้งหมดฟื้นคืนชีพก้อนเดียวกัมาที่เดียวกันเลยท่านนบีจะรู้จักยังไงพวกเรากับมนามนุษย์ทั้งหลายก้าวาล้อันนัลิรจุลินข้ยินดูห์มินอัคานัยาลิฟุฮะนบีบอกว่า ถ้าชายคนหนึ่งเขามีแม่อยู่ฝูงหนึ่งแล้วม่ของเขาเนี่ยเป็นแม่ที่มีสัญญาณที่หน้าผากและปลายเท้าของมันจะสังเกตว่ามีแม่ที่หน้าผากนี่มีหน้าผากนี่จะมีสีขาวแต่ตัวม่หนี่ดําทั้งตัวนะและก็ปลายเท้านี่จะขาวเจ้าว่าส่วนอื่นของ ร่างกายของม้านี่มันจะดําหมดม้าฝูงนี้เนี่ยของชายคนเนี้ยมันอยู่ระหว่างฝูงม้าทั้งหลายนี่ดํากันทั้งฝูงเลยแต่มีเฉพาะของคนเนี้ยที่มีสัญลักษณ์ที่หน้าผากของม้าและก็เท้าของม้านี่ในเบียบอกว่าอากในอาริฟุฮาเจ้าของม้านี่จะรู้จักม้าของตัวเองไหมของก็แน่นอนเขาบอกว่าฉันก็จะรู้จักฟิน فإنني أعرفكم يوم القيامة غ ر ร ا ั م ح ج ฮัจจลีเนมินอูดุข้าเจ้าก็จะรู้จักพวกเจ้าโดยสัญลักษณ์ที่ใบหน้าของพวกเจ้าและปลายเท้าของพวกเจ้าปลายมือปลายเท้าองเจ้ันต้บอกใครเลมุสลิมผู้เรื่งงานฮะดีีคืออบูฮุเรรอท่านอบูฮุรยรได้บอกต่อเรงงานต่อ فمن استطاع م ن ك م أن يطيل غرته ف ل ي ف ع ل ผู้ดใดสามารถที่จะขยายสัญญาณการอาบน้ำละหมาดของเขาเนี่ยข ย, ขยายขยายขยายกว่านี้เนี่ยก็จงทำซะบางคนที่ไปรายงานฮะดีสนี้เนี่ยรวมถึงคําพูดของอับดุลเราะห์เนี่ยเอาตอนท้ายของคําพูดอบับดุลเลาะห์นี่มามายัดใส่ไปในฮะดีสแล้วก็อ้างว่านบีพูดว่าใครที่ต้องการขยาย สัญญาณของอ่านนั่นละหมาดนะในการอานานั่นละหมาดเนี่ยให้อ่าหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าล้างหน้านี่นะถ้าล้างหน้านี่แค่ล้างหน้าอย่างนี้เนะ น, นี่ยอานนั่นละหมาดเนี่ยวันเกียรมากนี่ก็จะมีสัญญาณของอานนั่นละหมาดใช่ไหมเพราะว่าให้ขยายดิขยายดิอ่านแล้วก็มีทัศนะที่บอกว่าล้างใบหน้านี่ก็ควรที่จะล้างส่วนหนึ่งของศีรษะบางคนวอกวขยายก่อแล้วล้ า, ลา ง, างให้เยอะหน่อย แล้วมันมีคุณนประโยชน์มันจะได้ขยายสัญญาณอหรือจะล้างถึงศอกนี่นะเอาไปถึงนี่ถึงถึงหลา่าถึงใบไปเลยถึงบาทถึงไหลไปเลยเพราะฉะนี่เป็นคําพูดของอบูไกรร้อนไม่ใช่คาพูดของหนึ่เขาเรียกกันมุดรจคําพูดที่นั ก, กรายงานฮะดีษบางคนเนี่ยไม่ได้จาแนกก็เลยรายงานรายงานทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ได้บอกว่าและอบูไกรระอนนี่ได้พูดอย่างนี้นะ ซึ่งอบูเรานี่ไม่ได้หมายที่ให้ขยายแต่หมายที่งให้อบน้ำละหมาดเนี่ยให้สมบสูรณ์สให้ครบถ้วนสะอย่าหมาดแบบขาดๆอย่าอัวหมาดแบบลวกๆ่อบวหมาดแบบแบบกินชาบูนึกออกไหมแบบกินชาบูยังไงอยกินาบูกันงไงมันต้องสุกทั้งชิ้น嘛นั่นะ มีแดงนิดนิดนะแกโอเคนะโอเคนะพอโอเคป่ะแต่แดงนิดนโอเคป่ะเออๆๆไม่ต้องสูงทั้งหมดก็ได้เนี่เขาเรียกแบบชาบูอ่นั่นะัไม่หมดเป็นรนิ่นิดอ่นั่นะมไอ้บางมันยังยี่นยังมีเออๆๆไม่ได้ก็สังเกตฮนะ ว่านบีจะมีข้อผูกพันกับเราในวันเกียร์มาเนี่ยด้วยข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ง่ายนิดง่ายมากในเรื่องอาน้ำละหมาดเพราะเราทำทำทุกวันอยู่แล้วและถ้าขนาดแค่อาบน้ําละหมาดนี่จะทําให้เรามีข้อผูกพันกับท่านนบีถึงขนาดที่นนบีคุ้คุ้นกับใบหน้าของเรานี่เพราะอาบน้ำละหมาดกันอย่างสม่ําเสมอนี่และถ้าอิบารัดอื่นๆล่ะจะไม่มีประโยชน์ให้ท่านนบีรู้จักเรามากขึ้นหรอ แต่บิลลล์ลัะดีนี่ก็บันทึกในบุคคลในมุสลิมชนดีวกว่าแต่บีขึ้นเที่ยวไมอเออรจ์นี่เข้าวสวนสวรรค์นี่ได้ยินเสียงอบบุได้ยินเสียงบิลลลได้ยินเสียงบิลลลในสวนสวรรค์ก็เลยมาถามบิลลลว่าเจ้าทำอะไรละ่ะที่เจ้ามีความหวังว่ามันคือความดีที่น่าจะเป็นเหตุผลให้เจ้า เป็นชาวสวรรค์คือมันช่างเรื่องดีเหลือเกินนะชีวิตของเรานีทำอะไรที่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้แก่ใจนี่ไอผลงานชิ้นนี้เนี่ยถ้าเราจะเข้าสวรรค์นะนะกเพราะงานชิ้นนี้มันช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขเหลือเกิน ท่านนาบีมาถามบีล้ว อ, อะไรอะไรงานอะไรอถ้าแต่ท่านนาบีถามท่านแล้วนี่กม็มีมีมีมีงานที่เขาคิดว่าเขาคนอื่นก็ไม่น่าจะปฏิบัติเหมือนเขาเมื่อเขาอาบนั่นละมา ท, ทุกครั้งนี้เขาก็จะละหมาดหลังอาบนั่นละมาดีก็จะละหมาดละหมาดเรื่อยๆเท่าที่เขาสามารถทําได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้แค่อาบนั่นละมาดให้จบนี่มันก็ มันก็เรื่องใหญ่แล้วอาบน้ําละหมาดแล้วก็มาละหมาดฟอรดูนี่อันนี้ก็ถือว่าบุญแล้วเยอะและ้วเยอะแต่สําหรับคนบางคนที่อาบน้ำละหมาดแล้วต้องสังเกตนะชานิดบิลนดเนี่ยที่เขาอาบน้ำละหมาดทุกครั้งแล้วก็มีละหมาดอันนี้ไม่เกี่ยวกับสุนนะสุนนะความฟอร์ดูนนะจำม่ใช่นะ อย่ามั่วนะคือต้องสมมติฐานว่าบิลาเนี่ยทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดก่อนละหมาดนี่ต้องอาบน้ำละหมาดก่อนเวลาละหมาดพอสมควรเพราะการอาบน้ละมาดซุนนะอูดูของเขาเนี่ยมันจะต้องมีเวลาเนี่ยมีเวลาเพราะถนะ้าหากว่าเขาอาจาร์แล้วและยังจะมีภารกิจของการละหมาดซุนนะอื่นๆนะซุนนะของอูดูนี่ไม่มีเวลาแน่นอน หรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือบิลเลลเนี่ยจะต้องทาแบบนี้เป็นนิติสิทธิ์หมายถึงว่าเสียน้ําละหมาดเมื่อไหร่แล้วก็เสียน้ำละหมาดเมื่อไหรท่านก็จะอาบน้ําละหมาดแล้วก็มาละหมาดสุวนแรกของอูตูแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาละหมาดพอดูหรือไม่ใช่ช่วงเวลาท่านทำทำอย่างนี้เป็นนิติสิทธิ์ไม่น่าจะมีคนจํานวนเยอะที่หมายถึงว่าเราไม่ทราบหรือว่าเอ้ยคนส่วนมากทํากันอย่างงี้ มันไม่น่าจะใช่ฮะดิสดื่มน้ำจากบอ่อน้ำของท่านนมีบันทึกโดยบุคครีและมุสลิมเช่นเดียวกันมนีว่าอยังไม่ได้ถึงอายะที่จะอธิบายนะแต่ดูพออ่านอาะแล้วนี้ก็ก็จะถึงบางอ้อเลยแต่ถ้าไม่ได้อธิบายแบบนี้เนี่ยนะก็อาจจะอาจจะถึงคองตันอี่ยัูพื้นฐานก่อน อันีสิบุคคลที่บุคลาลีมุสลิมก็กเคารพนับถือมุสมจากบอ่อน้ำของท่านน บ, บีท่านน บ, บีบอกว่าอันน um ้นฟ้รัตุกุมะดาลฮะต์ขณะเจ้าจะอยู่ในแนวหน้ารอพวกเจ้าที่บอ่อน้ําซึ่งรงงานอื่นของบ่อน้ําของท่านน บ, บีมีความกว้างไพศาล ม, มีความยาวมหาศาลมีขันตักน้ํานี่เท่ากับจํานวนดวงดาว สีของบ่อน้ำนบีเนี่ยขาวกว่าน้ำนมหวานกว่าน้ำพึ่งประชาชิอิสลามนี่ก็จะมาดื่มในบ่อน้ำของนบีนบบกว่าฉันอยู่ในเนรฟาตุกุมาลฮะแต่นบีบกว่าอัลละพัพนซาบเถิดอัลลนี่แทน كموا بركات ف ن س ا ت ه ن ألا ل ي ذ َ ا ن ي ُ ذ َ ا د َ ن َ ل ي ذ ا د ن أقوام من أمتي عن الحوض ت م ي َ م ش ن ج َ ب ش َ ج ا ت ه م ش ن ْ ل َ ة و ق ي ت ك ا ن ه ا ن ٌ ا ب ن ا م ِ ي ِ و ق ي ت ك ا ن ف أ ق و ل ي ا ر ب ي ข้าพเจ้าก็จะวอนต่อพระเจ้ารับีโอพระเจ้าของฉันบางรายงานบอกว่าอัษฎาบีสาวกของฉันบางรายงานบอกว่าอุมมติประชาชาติของฉันฟาโยกกก็จะมีเสียงตอบนบีที่นบีทูลถามอัลลอฮ์นี่กีดกั้นทําไมนี่ประชาชาติของฉัน ก็จะมีเสียงกลับตอบมานี่บางรายงานก็คืออัลลอฮ์นี่เป็นผูต้ตอบอินนากะลาตดีมาอัจดสูบาดกะเจ้าไม่รู้หรอกว่าคนที่ถูกกีดกั้นเนี่ยเขาได้อุตริได้บิดเบือนได้เปลี่ยนแปลงศาสนาของเจ้ายังไงแ ส, สดงว่าคนที่เข้าไปดื่มในบ่อน้าของท่านละวีสลลุรละลอซันก็คือคนที่ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้อุตรีไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนที่เที่ยงธรรม อันนั้แสดงว่านบีจะจะมีความคุ้นเคยกับประชาชน ท, ทั้งหมดเลยแต่มีความเฉพาะที่คนจะมีสิทธิ์อยู่ใกล้ชิดนบีมากที่สุดในบน่อน้ํานี่ซึ่งบ่อน้ํานี้นี่ไม่ใช่บ่อน้ําเกาซัตที่อยู่ในส่วนสวรรค์พระอลลานได้บอกว่านบีนี่มีอยู่บ่อสองบ่อเฉพาะของท่านนบีบ่อน้ําในพื้นที่ของวนเกียรมั้ย บางศาสนาก็เรียกว่าเกาซ์เหมือกันแลวบ่อน้าที่อยู่ในสวรรค์อันนี้ก็เป็นบ่อน้าของดัชนีมิซอลลัลสเล่เท่านั้นอันนี้ที่เราได้รู้กันในส ورة อัลกอุซร์อินน์อัตไนนาลกอุซร์กอุซร์นี้รากสับของวันนี้มาจากกสิร์กสีร์ไปว่าเยอะแปลว่าบ่อน้านี้เนี่ยคนจะดื่มเยอะมีน้าเยอะจานวนเยอะปริมาณเยอะ แล้วคนที่จะไปดื่มน้ําต่อในบ่อ น, น้ําของท่านเบดีเป็นสัญญาณสําหรับพวกเขาอย่างหนึ่งในวันเกวมะก่อนนี้จะมีการสอบสวนเลยนะหมายึว่าบ่อ น, น้นํานี่ในพื้นที่วันเกวมะนี่ขานาดที่มนุษยชาติเนี่ยเขากระหายน้ํากันหมดเลยโดนแดดนักกี่หมื่นปีอะเป็นห้าหมื่นปีร้อนระอุ ก, กันทั้งหมดเลย แต่เฉพาะประชาชาติอิสลามในทศนิที่ต้องนิ บ, บ, นนบ่อน้ำะามันีมุฮัมมัดประชาอิสลามอย่างเดียวที่จะมี บ, อบ่อน้ําให้มาดื่มต้องทำยังไงจะได้ไม่เบิดเบือนไม่อุตริกรรมไม่เปลี่ยนแปลงสุนนะของท่านต้องทำยังไงพ้องศึกษาสุนนะของท่านนาบีลัลลอฮให้มากที่สุดการศึกษาสุนนะของท่นนานนบีสุลตัลลอฮัลล ให้มากที่สุดนี่ก็หมายถึงว่าหมายสุนนะของท่านนบีอันนี้มันไม่สามารถตีความได้ศึกษาสุนนะของท่านนีหมถึงว่าตัวบทฮาริสุนนตัวฮาริสเนี่ยของท่านนบีแต่เราจะอ้างว่าเราศึกษาสุนนะหรืออ้างว่าเราเป็นสุนนะหรืออ้างว่าเราเป็นสถาบันสุนนะหรืออ้างว่าเราเรียนกับอาจารย์สุนนะแต่พอมาดูเนื้อหา ของสถา บ, บันข อ, 응 caused, ขององค์กรของอาจารย์ที่เราเรียนรู้กับเขามีฮะดีสมั้ยมีหะดีสรองรับไม่เรียนฮะดีสอยู่มั้อันนี้เป็นตัวพิสูจน์สําคัญสําคัญมากเพราะมีไงในโลกนี้เนี่ยคนที่อ้างว่าเป็นสุนนะชื่อองค์กรก็เป็นสุนนะบัญญานีกับบรญย์เขาเรียกว่าบรรญายของพวกสุนนะถ้าพ่อไปดูไปฟัง <im g ly> ไปปรากฏตัวในพื้นที่นั้นน่ะมันมีแทบทุกอย่างที่ไม่ใช่สุดนะแทบทุกอย่างที่ไม่ใช่สุนนะ า, อานนะของท่านเลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะครับก็คือผู้เรื่องศาสนาโดยไม่มีหะดิสักบทหนึ่งพูดเป็นชั่วโมงหนึ่งสามี่ชั่วโมงนึงไม่มีหะดิสักบทนีน่เห็นมาแล้วไม่มีหะดิษม่มีคุรานไม่มีอะไร บรรยายเดียวนะบรรยายไม่มีฮะดีสไม่มีไม่มีไม่มีคุตั้นไม่มีอะไรนะแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นอ่ะก็คือแนวทางเผยแผ่ของเขาอ่ะอ้างว่าเป็นซุนนะก็จริงแต่แนวเผยแผ่ของเขานี่ไม่มีฮะดีสและตัวบทนี่มันไม่มี่การดิสสุดว่าเราจะยืนหยัดตามซุนนะของท่านนบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮิสสลัม มันจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีคำตอบเราจะเป็นกําลังใจให้ท่านนาบีมากน้อยแค่ไหนเพราะเพียงข้ออ้างอย่างเดียวว่าเราเป็นซนุนนะเรารักนบีคิดว่าคนที่ไปจองร้านขายข้าหมกในมัลลิทของนบีเนี่ย ว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลเพียงพอไหมที่จะทําให้ท่านนาบีคุณหน้าคุณตาเขาในวันเกี่ยงไหมอ๋อเนี่ยเนี่เนี่น น, น, นี่เอ็งรักฉันใจไ่ไหมไปเปิดนัดเขาบอกในมาลิดนะบีของฉันจะคิดคิดว่าอันนี้มันไม่เซนไหมมันมันไม่น่าจะใช่เลยนะ หรือามารว ม, รว ม, รว ม, รวมตัวกันกเะต e ะ x ล c u t i v e s a อล w a t n a b i s a l l a l l a h u a l a i h i m a h m a d s a l l a l l a h u และก็โยกกันไปโยกกันมาคิดว่าอันนี้เนี่ยพอนบีรับรู้เนี่ย s a l a w a t n a แบบนี้เนี่ยที่นบีสอนที่นบีปฏิบัติแล้วมันจะเป็นเหตุผลให้ท่านนาบีเนี่ยตระหนักว่าอ๋อนี่รักรักฉันเนี่ยเขารักเออรักแบบแบบของเขาอ่ะแบบของเขาอะไม่ได้แบบของเขาแบบขอข่าะ ก็เหมือนที่อินโดนแล้วมาเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนักบรรยายขึ้นบนเวทีนี่พากีตา้ามาด้วยร้องเพลงสักคิวหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นน่นก็พูดเรื่องศาสนากีตา้าวางหุ้มมีไลฟ์ด้วยมีไลฟ์ด้วยอาอก็เป็นแบบของเขาไงเขาก็พกระบันใส่เสื้อกุลงของโตคูนี่แหละถ้าจะมีใครถูกกีดกันนะ่ยนาะ ก, ก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละน่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละ เจ้าไม่รู้รอกกว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงศาสนาของเจ้ายังไงพราแน่นอนสมัยท่านนาบีและสฮามบะและกะ็ยุคสซลับที่ท่านนาบียกย่องและและก็การันตีความถูกต้องของเขาอนะไม่มีใครหรอกที่มาบรรยายแล้วก็เอาเครื่องดนตรีมามารองรับก่อนบรรยายคนนี่มีแน่นอนคนที่มาปฏิเสธคุราน <c oughs> ที่มากล้าตอนที่ท่านนาบีได้ เผยแผ่อิสลามเผยแผ่อัลกุรอานทําให้ท่นานนบีเสียใจพอสมควรการที่เขาไม่อยอมศรัทธาไม่อยอมนบีเสียใจเสียใจถึงขนาดที่นบีนบีเสียใจมากและอัลลอฮ์ได้ติท่านนาบีฟาลัลละกบับขย้อนนับหรือว่าถึงขนาดที่เจ้าจะต้องฆ่าตัวตายไหมเนี่ย خ و س ه جاي نعج ج و خوهم ي ت ه على آثارهم ل ا لم ي ؤ م ن بهذا الحديث أ ص ف าเขา ماي م ي ยอม شئء في و ج ن َ ة ٍ ح د ي ث ٍ و َ ا ع ِ د ْ ن َ م ْ ا ل ْ ق ر آ ن َ ن خ ي อ ش ن َ ة ٍ ل ي ث أ ا ن ن تاه ن ذ ا الحديث س ن ج و ب ت ب ي เาะ แต่แสดงว่านบีเสียใจจริงๆและนบีและอัลลอฮ์มันบอกว่านบีไม่ต้องไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นหลายอายะที่พูดในทรรมนองนี่นะแต่บางอายะนี่ในสุรายอย่างสุรัดยูนุสนี่ซึ่งเป็นสุร่ายอย่างที่เราทราบกันประทานลงมาที่มักกะในช่วงที่ท่านนบีกำลังฟัดกำลังไฟกับชาวมักกะนี่เผยแพร่อิสลามอย่างอย่างเข้มงวด แล้วก็ต้องเจอบททดสอบททดสอบของคนที่ปฏิเสธศรัทธาของคนดีอาจจะมีด่าทอท่านนาบีด่าทอท่านนาบีด่าทอสาวกของท่านตำหนิติเตียนประนามการเผยแพร่ของท่านนาบีหรือกล่าวหาท่านนาบีว่าเป็นคนบ้าบ้าง เป็นนักวยนักวรรณคดีนักกรอนบ้างหรือกล่าวหาท่านน บ, บีว่าเป็นนักศยศาสตร์บ้างกล่าวหากุรอานนี่ว่าเป็นเป็นกรอนบ้างเป็นบทสวดของนักศสสัยศาสตรบ้างน บ, บีฟังเรื่องนี้แน่นอนมันก็มันก็ต้องเจ็บใจสิเจ็บใจ แต่ละที่บอกใจตนาบีโดยบอกถันว่าว่าอิมานูรียันนก์บางสลวนทีน่ายิดูม์หรือนัทวฟฟยันนคไอลนามาร์จีอุมทั้มแล้วพระเจ้าจะให้เจ้าได้เห็นบางส่วนของการลงโทษซึ่งเราสัญญาแก่พวกเขาอมุฮัมมัด บางคนที่กําลังปฏิเสธเจ้าเนี่ยเราจะให้เจ้าได้เห็นบั้นปลายของเขาเนี่ยเป็นยังไงอุลามาเนี่ยบอกว่าหมายรวมว่าคนที่รังแกท่านนาบีได้ดา่าทอท่านนาบีและท่านนาบีเคยรับสัญญาจาก AH. อนนัลลอฮ์ว่าไอ้คนนี้คนนี้คนนี้นะเดี๋ยวค่อยดูบั้นปลายเขาเนี่ยเขาต้องต้องเสียชีวิตในสมรภูมิ ก็จริงด้วยในชีวิตของท่านนาบีนบีก็ได้เห็นแต่ละคนบางคนก็เสียชีวิตในส่วนวรรพูมหรือเสียชีวิตในสภาพที่อัะยศเส้นดีนูเรยียนนะะักเราจะให้เจ้าได้เห็นบ้าบกบางส่วนของการลงโทษบางส่วนของการลงโทษนี่ก็คือการที่เข้าด้หายนะในโลกนี้ และท่านนาบีไม่ได้รับพยันตรายจากแผนและอุบายการกีดกั้นของพวกนี้ในการทำงานของนนท่านนบีลอเลวสัลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะหรือชัยชนะต่างๆในการที่ท่านนาบีประสบความสำเร็จในการให้คนส่วนมากในคาบส ม, มุทรอาหรับนี้ได้ศรัทธาแล้วสุดท้ายนี่นบีก็ ได้มาพิชิตมักกะและให้สัจธรรมนั้นได้ประจักษ์เหนือความทิศอย่างชัดแจ้งวันที่ท่านนบีได้พิชิตมักกะแล้วก็เอาไม่เท้ามาทาลายรูปเจ้าที่แขวนอยู่รอบกาบะแล้วก็อ่านอายในสุรัลอิสราห์ว่ากุลจาะ الحق และเซฮักัลบัติลอินัลบาติลฮูก นี่คือการปอบใจที่อัลลอ์ได้บอกกับท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมว่ามันจะเกิดขึ้นพ อ, อ น, นี้อย่ยงอยู่ที่มักกายยังไม่มีชัยชนะต่างๆมันไม่เกิดขึ้นอาย่านี้นบีได้รับฟังมานี่โดยที่หัวโจกของมุชริกินที่มักกา่กำลังมุ่งทำลายทำร้ายท่านนาบีตลอดเวลาเลยหรือว่าเจ้าจะเสียชีวิตนหะ แล้วก็สิ่งที่เราได้สัญญากับเจ้านี่เจ้าอาจจะไม่เห็นหมดก็ได้นี่สแสดงว่าที่อัลลอฮ์สัญญากับท่านนาบีเนี่ยในการปรากฏของสัจธรรมในการมีชัยชนะของสัจธรรมเนี่ยนบีอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดก็ได้เอานะต่ว่าไฟันกะหรือเจ้าจะหรือเราจะให้เจ้าตายเสียก่อนนะต่ว่าไฟันกะแต่การเสียชีวิตของท่านนาบีไม่ได้หมายรวมว่า ท่านนาบีจะต้องหมดกำลังใจต่อชัยชนะและสัญญามั่นที่อัลลอ์ให้ไว้กับการปรากฏสัจธรรมของของท่านนาบีไม่เลยอัลลอฮ์บอกว่าจะมีบางส่วนที่เจ้าจะเห็นเลยโนริยันนะกะที่เจ้าจะเห็นนะนะที่เราเคยสัญญากับเจ้าว่ามันจะเกิดขึ้นพวกนี้จะถูกลงโทษอย่างแน่นอนบางส่วนนี่เจ้าจะเห็นหรือถ้าเจ้าไม่เห็นเนี่ยเราจะทาให้เจ้าตายไปเสียก่อนนะดังนั้น ไปเอ ينا มรจิอุมซุบมัละหุ شهيدعلىمافان ดังนั้นทางกลับของพวกเขาย่อมไปหาเราและอัลลอ์ทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทาเจ้าจะเสียชีวิตและเขาก็จะกลับมาหาเราพอกลับมาหาเราแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นนันน่ะบทสนทนาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกประชาชาติโดยเฉพาะประชาชาติอิสลาม Allah ไบอกกนี่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจ้านะทุกประชาชาติและศาสว์ดาสัตวนท้นทุกคนว่าทุกคนในอุมมาติรัสูล فإذا جاء رسولهم قضي بينهم ب, ى ي ب ل س س س س ل ا ل ุ س, س ط وهم لا يظلمون ทุกประชาชาติมีรัสูลถูกส่งมาของเขาดังนั้นนี่วันเกียร์มาแล้วนะในโลกดุนยาเนี่ยทุกประชาชาติมีรัสูลมาเตือนเขาดังนั้นนะในองเกียร์ เมื่อระซูลของพวกเขาได้มาแล้วมาวันเกียร์มาแล้วนี่นะจะมีกลุ่มหนึ่งของประชาชาติระซูลทั้งหลายเนี่ยนะบางกลุ่มนี่อัลลอฮ์ะจะถามว่ามีนบีมายังพวกเจ้าหรือยังเขาจะบอกเปล่าเลยไม่มีไม่รู้ไ ม, ร ไ, มรไม่มีใค ร, รอะใค ร, รอะใค ร, รอะ อ, อัลละ์ก็จะเรียกระซูลของเขานี่แต่และประชาชาตินี่ فإذا جاء رسولهم แต่เมื่อ ر ซูลของพวกเขานี่มาแล้วนะเสร็จเลยสิรสนี่ก็จะบอกวันนั้นะเจอกันชวันนั้นน่ยที่เคยไปอ่านคุตลานให้เจ้าวันนั้นน่ยที่ฉันไปเตือน فإذا جاء رسولهم ดังนั้นเน่ยเมื่อ ر ซูลของพวกเขาได้มาแล้ว กุดะคุวิลคิสตัวคุณเลยุตุเลมูนกิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรมและพวกเขาก็จะไม่ถูกกระทำในบันทึกของอิหม่าบุคฮรีและมุสลิมเช่นเดียวกันในงานโดยท่านอับดุลลาห์บินมัสยูดนั่งอยู่กับท่านนบีนบีบอกกาับดุลัสยูดีย์ย ه อัลลอฮ์อิกระะเลยะุคุานจงอ่านกุรอานให้ฉันฟัง ข้าพเจ้าจะอ่านกุรอานให้เจ้าให้ทา่านเด้งไงกุร์อานถูกบระทานลงมาอย่างทา่ทานท่านท่านนี่คือแหล่งกุร์อารนนะ่ยที่ที่มนุษยชาตินี่ได้มันก็ได้มาจากท่านนี่แหละข้าพเจ้าจะเป็นผู้อา่านหมายถึงว่าข้าพเจ้าเนี่เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยจะอ่านให้ท่านเด้งไงถ้าเราจะรับกุร์อานนี่ก็ต้องรับคุรอานจากท่าน รูปแบบในการแตล ก, กีในยุคของท่านนาบีนี่คือการรับความรู้นี่นบีจะเป็น <c oughs> เป็นผู้ให้ความรู้วันเวทางเดียวคือนบีจะเป็นผู้อ่านคุตอานให้ฟังสอนกุตอานให้เรียนรู้สอนฮะดีสมาจากนาบีอย่างเดียวแต่นี้เอะมามันไม่เหมือนเดิมอะออับดุลละอันกุตัาน แต่นบีไม่ได้มาร่วมหมายาบดุลล่านี่มาอ่านเหมือนสอนเหมือนที่นบีสอนเขานี่ไหมนบีต้องการอีกอย่างหนึ่งก็เลยบอกกั บ, บดุลล่านี่มูบสบอกว่าอินนี่อูฮิบอันอสมาหูมินไกรีข้าชอบที่จะฟังกุอานจากคนอื่นชอบไม่ใช่ชอบไม่ได้ชอบจะกับดุลล่านมุสลิวันนั้นครั้งเดียวใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมเช่นเดียวกันท่านนบีบอกกับ อบูมูซาละอชฮารียาบูมูซาเลราย์ตันิลบาลิ ح ะไคฟสต์ม ع ت, ت ุ ل ي ك و ย ن ت تتغنى ب ا ل ق ر ะ ن ถ้าเจ้าได้เห็นข้าเนี่ยตอนนี้ฟังเจ้าเมื่อวานหรือเมื่อคืนตอนที่เจ้าอ่านกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะแสดงว่านบีแอบฟังอบูมูซาละอชฮรีแล้วก็ ยกยองอูซ่าว่า لقد أُوتيت مزمارا من مزامير داود เท้าก็เสมือนมีเครื ن ن ่องเป่าเครื่องเป่าในบรรดาเครื่องเป่าของนบีดาวิดมิซมาร์นี่คือเครื่องเป่าเครื่องเป่าแน่นอนและบรรดาบทคำบีของท่านนบีดาวิดเรียกว่ามัซามิร มัจามีรดาวดทัมันเนี่อัลอรส่วนหนึ่งของคมพีที่ประทานให้นบีท่านหนึ่งเรียกว่ามัจามีรซึ่งเป็นฉายาของเครื่องอะไรเครื่องดนตรีแน่นอนมิซมาดกับอบากรหัสี่บันทึบุคลาลีมุสลิมเข้าบ้านท่านนบีเนี่ยช่วงวันอีด ก็ด้วยมีเด็กหญิงสองคนหนึ่งกําลังร้องกรอนที่ชาวมาดิน่าเนี่ยชาวม า, มาดิน่าก่อนที่จะนบีจะมาเนี่ยเขาสู้รบกันถ้ามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งชนะกลุ่มนึ่งในสงคารามเนี่ยเขาก็มีกรอนใช้ชนะของเขาเนี่ยก็จะเอามาร้องเขาก็เอาร้องนบีก็เลยบกว่าเอาเอยิ่องอื่นมาร้องอย่าเอาอย่าเอาเรื่องโอ้อวด ในเรื่องสงข่าวอย่ามามาร้องเราเรื่องอื่นมาร้องดีกว่าอบูบา้าเกิเข้าวทันทีแล้วพูดอะไรอามิซมารัมินมาซามีริเศตานี่ฟีเบย์จราซูเลเป็นเครื่องเป่าหนึ่งของบรรดาเครื่องเป่าของเชตรตอนในบ้านของท่านน บ, บีกันนั้นดหมายถึงว่าเสียงไพเราะเนี่ยเรียกว่าเหมือนเครื่องเป่านิธรรมดาหมายถึงว่าในสำนวนภาษาอร а б นี่เรียกได้คนเสียงเขาไพเราะถึงขนาดเทียบได้เหมือนเครื่องดนตรี ไม่ผิดแต่เพี้ยนจริงๆอะนะที่อุลมามะบางคนเนี่ยที่มาอ้างบอกว่าฟังดนตรีได้ทําไมอะก็นี่ไง น, นบีบอกว่าการอ่านของอบดุมูซัลลชารีเหมือนเครื่องดนตรีก็สแสดงว่าเครื่องฟังได้แล้วก็สุดท้ายนี่พออุลมามะก็อุลมามะบางท่านก็บอกเอ้ยไม่ได้แล้วก็เขาเขาแบบว่าพยายามไม่พูดแรงกับอุลมามะชุดนี้นะอุลมามะที่เขาบอกวเอ้ยเครื่องดนตรีนี่มัน เอามาจากาครสักแบบนี้เขาก็พยายามไม่พูดแรงสุดท้ายนี่ที่อินโดเป็นยังไงเอาฟาติหานี่มาคอนเสิร์ตเลยนะคอนเสิร์ตเลยคอนเสิร์ตครบชุดเลยอ่านฟาติหาบ้างอ่านซูร่านเคยดีไหมจงรักลูกมันมันปล่อยละเลยเนี่จนบั่นปลายมันก็จะเป็นแบบนี้เลอะเทอะแบบนี้คือถ้าจะพูด ถ้าจะพูดเออพูดแบบบ่ให้ดนตรีนี่มันยังไงยังไงก็บาปถ้าจะฟังอะไรก็อย่าให้ไปยุ่งกับเรื่องศาสนาแล้วกันแต่นี้มุนันเขบอกว่าออดฮาลัเลยฮาลันเลยทุกรูปแบบนี่จนมันกว้างเกินไปอ่ะแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่านาบีที่บอกกัอับดุลลอห์มมาโซนี่ฉันชอบฟังกุศอ่านจากคนอื่นเนี่ยเช่นอบูมุซาละสัตว์ไอฟังอับูมูซาละก็ยกย่องบอกว่านี่เจ้า เจ้าได้เครื่องเป่าเหมือนบรรดาเครื่องเป่าของท่านน บ, บีดาวุฒไม่ได้มารู้ว่าน บ, บีดาวุฒมีเครื่องเป่าแต่น บ, บีดาวุฒเนี่ยมีศักยภาพความสามารถเนี่ยตอนอ่านคมภีร์นะคำภีที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยน้ำเสียงและความไพเราะของเขาเนี่ยถึงขนาดนี้เวลาอ่านนี่นะเสียงนกเสียงนกและเสียงสรรสิ่งเช่นบุกเขาเนี่ย เขาเนี่ยจะร่วมสดุดีพร้อมๆกับนบีดาวุฒอัลล์บอกว่าเองคุณอ่านยาจีบาลูอวบีมาหัวตื่นนี่อัลลอฮ์ยกย่องเองแล้วนะะยกย่องการอ่านของนบีดาวุการสดุดีของท่านนบีดาวุนี่มีน้ำเสียงที่ไพเราะถึงขนาดนี้อัลล์บอกว่าโอ้บรรดาภูเขาทั้งหลายยาจ ب บาลูโอ้บรรดาภูเขาทั้งหลายวัตื่นยาจีบาล อ ว, วิบีมาหวัวไ ต, ตร์และมันดานกทั้งหลายเนี่ยอ ว, วิบีจงสรรเสริญสดุดีพร้อมๆกับนบีละวุฒบางทีนี่อัลลอฮเราจะถึงขนาดนั้นได้ยังไงอยิกัลลอฮในป่าอัลลอฮ์ไก่น้ำตกอุลลอฮเอาแค่ห <Okay. c oughs> น้าสวนบ้านตัวเองนี่ยนะมีต้นไม้มีนกมีฟ้ามีดินเนี่ย บอกว่าไอ้สันเสริญของเราไอ้บรรดาของเราการอ่านของเรานี่มันจะเข้าหูบรรดาสรรพสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือเปล่าแค่คิดนะมนวาวแค่แค่นึกถึงนึกถึงวันเวลาที่ท่านนาบีดาวุฒอ่านอ่านคัมภีร์แล้วก็บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายนี่มันจะนิ่งหรือจะสนเสริญพร้อมนบีดาวุฒหรือ อยากได้ยินเสียงสัรพสิ่งที่สรรเสริญกับท่านนาบีดาวุฒเหลือเกินตอนนั้นน่ยมันเป็นยังไงแต่นบีไดย้ยกย่องท่านอบูมูซาละชารีไงว่าโอ้ถ้าถ้าเจ้าเห็นเห็นข้าเมื่อวานนี่ได้แอบฟังเจ้านี่นะเจ้านี่มีมีเสียงไพเราะเหมือนเสียงไพเราะของของนบีดาวุฒ อับอุมสชารปพ่มสพมยา ر س و ل u, u, eh, uh u l ล a h ีถ้าขุนตัวเอ๋มู้ที่ขบจาวรูวท่านแอฟังฉันอยู่นี่นะละหับประตูและกะตะบีรอข้าจะอ่านให้ไพเราะที่สุดหมายถึงว่าไอ้ที่ฟังนั่นนันนั่นอน่นอันนั้นธรรมดาแต่แต่แต่แต่ขรู้นี่ว่าว่ท่านฟังอยู่นี่นะฉันอ่านให้แบบที่สุดเลย อับูมูซาละชารีละใครก็มีซอใบคนหนึ่งท่านนบีแต่แหละก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอับดุลลาห์มุสุตคนีนบีก็ฟังชอบฟังคนอื่นด้วยท่านอับดุลลาห์มุสุก็เลยอ่านให้นบีฟังเนี่ยอ่านจะต้นสู้รดอันนิซาอ่านไปสักสองสมรูปเนี่ยช่วงท้ายๆของรุปที่สามที่สี่เ น, นี่ยในสุรอันนิซานีอัลลบอกว่า ไตี้ไ ف อีเนบีฟังอยู่นะเออฟังนี่ฟังอยู่สองสามรูปนี่แล้วก็อ่านแบบอับดุลลาบินมัสฮูดอ่านอับดุลลาบิมัสฮูดไมรรมดาแล้วทำไมอ่ะเพราะนบีเคยบอกในฮะดีซิกบทหนึ่งมันุบุค ا ر ีเหมือนกันมันอับะเนียสมาลคุรานก็มาอุนซิลอัลตันตรีใครที่อยากจะฟังกุราน เหมือนตอนที S ่คุณอ่านดูประทรแบบสดๆแบบสดๆดิบๆเลยนะฟสมาหัวิบดินอุมมดินให้ฟังหรืออ่านตามที่อบดุอุมมอับินนี่อับดุลลาห์มีโซนีมีชายาวว่าอับนุอุมมีอับดินพอท่านได้อ่านมาถึงอายาสุดท้ายนี่ของรูปที่สาที่สี่นี่จำไม่พอมันเองนี่จำจำไม่แม่นอัลลอฮฺได้บอกว่าฟ ك คีฟอิด ئ นะมินคุลลิุมมิช ว่ ئ เจ้าหน้าอาฮา ؤلاءشهيدا ي, ي و, ع و ى ي م ع ذ د يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض و لا يكتمون الله حديثا لا جوجتهم ينرى لهم تراؤدين ما سين ا ر ا ทั้งหลายพร้อมพยานของเขา شهيد ผยานของเขาเพราะเขานี่ก็คือนบีแต่ละไปเหมือนนี้ แต่ละประชาชาตินี่ก็จะมีพูดเป็นพยานนี่คือนบีหวฟาอิเบรสูลฟาคีฟาอิดะจีนา่ามิงคุลิอุมะดินบีเซฮีดินทุกประชาชาตินี่นะก็จะมีชซฮีนี่มีพยานของประชาชาตินี้ว่าเขา ท, าทําหน้าที่ของเขาแล้วอวจีนาบิกะแล้วเราจะนําเจ้ามาเป็นพยานชซฮีดานักราฮาอุล่เป็นพย า, า, า, านยาต่อพวกนี้คือประชาชาติของท่าน นบีก็สัมผัสอับดุลลอฮ์บอกวฮัซบุกพอแล้วฮับุกพอแล้วอับดุลล์บอกว่าลเฟตอิขบะเจ้าหันน้าไปมองท่านนบีเนี่ยาตซริฟานได้พบเห็นท่านนบีเนี่ยน้ตาลังไหลอุลมาในที่ความบอกว่านบีเนี่ยคง คงกลัวในบทบาทของท่านที่จะเป็นพยานต่อประชาชาติของท่านกลัวว่าจะมีส่วนหนึ่งของประชาชาติที่อาจจะท่านเป็นพยานในการงานที่ไม่ดีของพวกเขาบิดเบือนศาสนาทรยศอุ ม, มะธรรยศคำสั่งสอนของท่าน ซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ช่างลำบากเหลือเกินน่ะนะคนเราจะต้องขึ้นศาลและเป็นพยานชี้ว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นอาชญากรมันเป็นเรื่องที่ลำบากแน่นอนแต่ตรงกันข้ามไงอย่างที่อย่างที่บอกตอนต้นนะ่ะ มันมีส่วนหนึ่งที่จะปลอบใจท่านนบีสุลต่าละวะอะลียอยวะสันก็คือการที่ท่านนบีจะเป็นพยานต่อประชาชาติซึ่งส่วนมากของประชาชาติเนี่ยส่วนมากเนี่ยของประชาชาติท่านนบีนี่จะรอดและนี่คือ hadis ของท่านนบีสุลต่าละวะอะลียสัน hadis นบีบอกว่าส่วนมากของประชาชาตินบีนี่จะรอดบันทึกโดยอิมาอัมัด النبي صلى الله عليه وسلم دفوق تفترق, تفترق أمتي على افترقت اليهود على 71 ف ر ق ه يون تهجأ كان بين جثب أجمع وافترقت و النصارى على 72 فرقه ن ص ا ر ا ن ت ه أ كان بين جثب سان جمبوق وستفترق أمتي على 73 ا ث و س فرقة بشراتي الخاص مني ت แตก ن سبعة وثلاثين จำพวกกุลหะฟินนาริอิลละวาฮิดทั้งหมดนี่นะจะต้องลงโทษในรกนะยกเว้นกลุ่มเดียวยกกลุ่มเดียวนี่ที่จะรอดกลุ่มเดียวนี่ที่จะรอดหนึ่งในเจ็ดสิบสามเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยนะส่วนน้อยนี่โดยจํานวนจําพวก แต่โดยปริมาณของแต่ละจำพวกนี้พออ่ า, าฮนฮะดิษต่อไปเนี่ยมันฮูมียารสูลลลอฮใครและจำพวกที่จะรอดนี่คือใครมีหลายแรงงานที่ส่ฮีห้ดที่สุดนะโดยเอกฉันของนั ก, นกรรงงานฮะดษนี่ที่ส่หที่สุดนี่นะมันมีโอกาสที่จะรอดนี่คือกลุ่มที่ยึดมันน่นในทางท่านอัสาบะมีจริง อันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แรงงานเดียวมันหนึ่งในแรงงานที่ท่านนบีได้อธิบายและเป็นหนึ่งในแรงงานที่มีสายแรงงานอ่อนด้วยแต่สำนวนที่มีสายแรงงานที่แข็งแรงที่สุดนี่นะท่านนาบีบอกว่าจําพวกที่จะรอดนี่สาบะ ถ, ถามว่าคือใครนบีบอกว่าวอัศวะอัลอาซัมคือกลุ่มชนส่วนมากไอ้ที่รอดนี่หนึ่งจำพวกในเจ็ดสิพวกนี้ก็คือกลุ่มส่วนมากของประชาชนของฉัน ก็เป็นไปได้แบ่งส่วนของทหารเนี่ยมีแนวหน้ามีแนวหน้ากลางแล้วก็ท้ายแล้วก็ปีกขวาซ้ายจำเป็นมว่าต้องเท่ากันหมดเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันแล้วแต่สถานการณ์่บางทีแนวหน้านี่อ้าวแสดงว่าโอ้โอ้โหนี่กองทัพนี่เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินแล้วก็ ส่วนไหนเนี่ยที่มันเยอะที่สุดละ่ะอาจจะเสมอกันก็ได้แต่อาจจะมีกลุ่มหนึ่งเป็นเก้าสิบเปอร์ซ็นของของแนวรบนี่ก็อาจจะอยู่แนวหน้าก็ได้เป็นไปได้นี่ก็เหมือนกันและพี่บอกว่าแต่กันเยอะหมายถึงว่ามีความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเยอะจริงแต่ไม่ได้หมายรวมว่าส่วนมากนี่จะแตกจะเอาด้วยแต่ความแตกแยกนี้ไม่ปราก้วยส่วนมากนี่รอดนี่ไม่เอาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ h a ดีษบนตึกโดยบุคอรีและมุสลิมท่ารยา น, น บ, บีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้บอกว่าส่วนมากของส่วนสวรรค์ น, นี่คือประชาชาติของฉันคือถ้าหากว่าเจ็สามจพวกนี่มีแค่กระติดเดียวนี่นะที่จะรอดนะแล้วเราจะไปเป็นเปอร์เซ็นต์ปริมาณส่วนมากของส่วนสวรรค์ได้ไง เราต้องมีป ร, ริมาณเยอะเนี่ยจะได้พอไปเทียบแล้วกับประชาชาติยุก่อนเนี่ยเรายังเป็นส่วนมากของส่วนสวรรค์เราต้องเป็นส่วนมากที่จะรอดนี่คือส่วนมากและส่วนมากนี่คือใครถ้าพอเอาอีกอีกท่อนหนึ่งมาที่ใบามากานอะไรมากุนตุาาาอะอเนยลยวม ส, สิ่งที่ฉันยึดมั่นตอนนี้แล้วก็สหาบ้าของฉันส่วนมากของประชาชาติอิสลามส่วนมากนี่นะ จับมือร้อยคนเนี่ยแบบมัม่วๆนะไม่ต้องเลือกนะจับมือร้อยคนเนี่ย เ, เอานบีุลนยมเอาบเอาสหฮาบะอบนายไมเอาสหฮาบะอบดนแล้วก็ลองดูสิจะจับมือกันเอานบียไม่เอาเอาสุฮาบะไม่เอาคิดว่าจะมีไหมลองนี่ลองนี่นไปทางะดีแล้วก็ตาวานี่นะตาวา น, นี่ค น, นตาวานี่มัม่วๆเเอาบอสฮาบะไหมลองดูสิมีใครจะตอบไหมว่าว่ากูไม่เอานบีาไม่เอาสฮาบะ ก็จะมีบอกว่าไอ้ที่รอดนี่นะคือใครอ่ะมาอาณ า, าเรอีลียคนที่ยึดมั่นในแนวทางฉันและสัมมาของฉันเขาก็านี่ไงเขาบอกว่าต้องยึดมั่นจ ร, ين, จริงๆเขาก็เอาที่เขาบอกว่าต้องยึดมั่นจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยยึดมั่นหมดไหมไอ้ที่เขาบอกว่ายึดมัน่นเแถวๆ เ, เนี่ยเขายึดมั่นหมดไหมก็ไม่หมดแต่โดยอุดมการณ์ โดยอุดมการณ์ซ kind of ึ่งอุดมการ์ย evet, ่อมมีค่าถึงแม้ว่าข้อปฏิบัติเนี่ยจะบกพร่องจริงไม่จริง uh, อุดมการ์เป <inaudible> ็นม <inaudible> ุสลิมแต่เราปฏิบัติทุกข้อในคําสั่งสอนอิสลามไหมเปล่าแต่เรามีความหวังว่าอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะถือว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษเพราเราพราะเรามีอุดมการ์ของความเป็นมุสลิมนี่ก็เหมือนกันมีอุดมการณ์ยึดมั่นแต่ตามแนวทางของท่านอบีุลเบี๊ยรละบะ ถามว่าแล้วก็บรรดาอุลามาและแนวทางต่างๆเนี่ยแม้จะั้งแนวทางที่เราอาจจะมองว่าเขาเนี่ยผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องแต่พอไปดูนะว่าข้อวินิจฉัยของเขาในแต่ละเรื่องในแต่ละมัสฮิดนี่นะข้อวินิจฉัยของเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้มีตัวบทเอาตัวบทมาอ้างเอาแนวทางของท่านีนมืออ้างถึงแม้ว่าเขาตีความผิดนะ แต่สุดท้ายเนี่ยถามเขาว่าทำไมาคิดแบบนี้ทำไมาวินิจฉัยแบบนี้ผมผมตามน บ, บีนี่กงผมตามนบีนี่ไงผมผมพยายามตามน บ, บีรวมถึงนี้อชาโรที่เขาะอกว่าอชาราไม่ใช่เอลุซุนนะวันเจริเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าตีความตีความสีทฝากของอัลลอฮ์คืออชายรานี่จำนวนอุลมาอุลมาของเข า, า ไ, มไม่น้อยนะไม่น้ยนะ มันเป็นเป็นไม่ได้ว่าอุลามานี่จำนวนนี้คือตลอดประวัติศาสตร์อิสลามดูอยู่สุดคือคงงูกันหมดมันเป็นไปไมได้หรอกมือดึกกันนั้งหมดมันเป็นเป็นไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ใจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไปถามอาชาร้อนแล้วทำไมตีความมาไม่รู้นะว่าในสมัยนบีละสฮะบ้านี่ไม่ได้ตีความไม่รู้หนระือแล้วเขาไม่รู้จริงอ่ะเขารู้เขารู้ว่าสมัยท่านนาบีและสฮะบ้านี่ยไม่ได้ตีความ แต่เขาบอกว่าสมัยนบยีและสหาบานี่คนในสังคมเนี่ยที่อยู่รอบๆนบีเนี่ยนะนี่เดียวแค่ทำฮะดีเนี่ยสมัยฮัดอัมลาเนี่ยนะคนที่มาทั้งหมดเนี่ยจะข้าบสมุทรอารับนี่แสนคนเอาว่าที่มาทําหัดเนี่ยสักแสนหนึ่งที่ไม่ได้มาสักสักสี่แสนฮะ น, น่าจะแสนนั่ง้าบสมุทรอารับทั้งหมดนี่ห้าแสนแต่พออิสลามได้ขยายไปนี่นะ ไปเปอร์เซียไปโรมันไปถึงอินเดียไปทุกนู่นไปทุกที่เลยนะอะรารยธรรมต่างๆเนี่ยคนมันสมองเขานี่ไม่เหมือนกันเขาไม่ใช่อารับเวลาเขาจะฟังกุฎอ่านฟังฮะดีสเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจเหมือนชาวอารับก็เลยไม่ให้เขานี่พอฟังกุรอ่านแล้วเนี่ยสะดุดก็ให้มีทางในการเชื่อคุณในลักษณะของอเล็ก โดยที่ไม่ต้องให้ผิดเพี้ยนหรือสงสัยในตัวบทของกุรอานจึงแนวทางนี่เป็นแนวทางตีความสำหรับคนที่ไม่สามารถทำตามสารบนี้ก็คื อ, อยอมรับในคุณลักษณะของลอสุฮาาวะต์แล้วก็เรื่องนี้เอาเาจะกว่าเรื่องนี้เอามาจากข้อปฏิบัติของสฮามาบางท่านแล้วก็สาระบางท่านที่ได้ตีความ เพราะเขบอกว่าไมไ่ทุกสีฟาดและคุณในลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถูกตีความเสมอเชน่นมีฮ ادي สสูบทหนึง่งฮ ادي สนี้ก็บันทึกโดยหมอบอับบุนคุเจมในหนังสืออัตตะฮีนั้นถูกบันทึกในบรรดาตาราฮ ادي สของชาวสลับหลายท่าน น บ, บีชี้ถึงเมืองชามหรือทิศอื่นเนี่ยผมนี่จำจำไม่ได้นะ่ะชี้ถึงเมืองชามแล้วบอกว่ามินฮุนาเนฟสุลรอฮ์มานจากทิศนี้เนี่ยกลิ่นอายของรอฮ์มานของพระผู้ทรงครุณาอุลามาทั้งหมดสารับไม่สารับนี่ทั้งหมดนี่ก็ตีความกลิ่นอายของรอฮ์มานของ Allah, อัลลอฮ์กลิ่นอาของ Allah. กลิ่ายของอัลลอฮ์เขาตีความที่ความมันออกหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยคือแหล่งของความรู้ศาสนาโดยเฉพาะตัวบทกุณอ่านละฮัดี้ซีมาจากอัลลอฮ์นี่มันมาจากทางนี้น บ, บียร์กลังบอกว่านี่เดี๋ยวมืองชามนี่จะมีผู้รู้เยอะแะนี่เขตีความแบบนี้ไม่มีใครบอกว่าโอ้ยมีกิ่นอายของอัลลอฮ์จริงไม่มีใครพูดเลยแสดงว่านี่ตีความสําหรับคนนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่าเป็นการตีความ อันเป็นแบบอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ได้กับกับคุณลักษณะอื่นให้คนนี่ไม่สามารถรับเรื่องคุณลักษณะของอัลลอนฺได้ที่มันเยี่ยงเยี่ยงมนุษย์ทั้งหมดนี่เนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยกับประชาชนนะแต่ผมกำลังบอกว่าทั้งหมดนีที่ <laughs> ไม่ได้เห็นด้วยตกใจกันนหรอเอาแล้ว <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เห็นด้วยกับประชาชน อยกำลังบอกว่าอาชาร้นี่เวลาเขามีแนวคิดอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาดูดบรรคุล I find it I get it เจอแล้วไม่ใช่เนี่ยเขาไม่ใช่แบบนี้นะสุบุริบอกอืยังไงนูะเจอแล้วไม่ใช่ใช้เวลาในการวินิจฉัยในการค้นหาในการคดคิดคนคิด แต่ก็ไม่ใช่คนเดียวเนี่ยผู้หลายคนเนี่ยก็นั่งวิเคราะห์กันแล้วก็ตีความกันแล้วก็คัดค้านกันนะจนมาถึงจุดนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไม่เอาฮะดีสไม่เอาแนวทางกก็มีนี่ก็จะเหตุผลที่เขาบอกว่าเราต้องตีความนี่เพราะอะไรเพราะมีอายะสําคัญในกุฎีเนี่ยเลยสักกามิตรไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์นี่เขาจะแสดงว่าที่เขาไม่ตีความมานะเขาก็อ้างกุานเหมือนกัน่ะแต่จะบอกเขาบอกเขาไม่เอากุฎีไม่เอาหะดีสเลยไม่เอาไซลับเลยมันเป็นไปไม่ได้ แต่จะเรียกว่าเขาวนีจใช้ถูกผิดจะผิดมากน้อยแค่ไหนนี่อันนี้นี่พุทธะแต่จะบอกว่าเขาไม่ใช่อรุษนาวยะมาเลยเพราะอะไรเพราะ เ, าเพียงเขาตีความสิทฟาดแล้วไปดูเรื่องอื่นเอา้าแล้วก็เขาละหมาดเหมือนนบีเหมือนซาลัดไม่ก่ำเขาละหมาดเตียมุ่นเลนเหมือนนบีซาลัดไม่กเหมือนเขาทำฮ a j ีเหมือนนบีและซาลัดไม่กเหมือนส่วนมากของศาสนานี่เหมือนนบีและซาฮามะและซาลัดนี่เ ป, ป๊ะเลยเอาเรื่องสิฟาดอย่างเดียวเนี่ยเราก็บอกว่านี่คำว่าเรื่องนี้นี่นะ ออกจากอาัลลุซุนนี่ยว่าจะไปไปไกลๆเลยไม่ต้องมายุ่งอัลลุซุนจะเป็นไปได้หรอในเชิงวิชาเอาเเอาหลักวิชาการเอาหลักความเป็นธรรมของวิชาการมันเป็นไปได้เป็นไปได้อลไรก็กลุ่มนี้เหรอที่เราเห็ น, นอาชารานีบรรดาอุลามาบรรดาอิห ม, ม่ามทั้งหลายอย่างอิหม่ามนาวะวีเนี่ยวันเกียร์มาอิหม่ามนาวะวีวันเกียร์มาเ น, น, นี่ยนะจะไม่ดื่มจากบ่อ น, น้ํานะบี เพราะที่ความศีลธรรของอัลลอฮ์นี่ไปไกลๆไม่ต้องดื่มเพราะอะไรอ่ะเพราะเปลี่ยนแปลงศาสนาเนี่ยเจ้าไม่รู้เปลี่ยนแปอย่างอิมามนาวีเนี่ยถ้าไม่ดื่มจากบาน้ำนบีนี่นะพวกเรานี่นะไม่ต้องหวังหรอกอิมามนาวีถือศีลอดทั้งปียกเว้นสองอดกินอาหารวันละมือ้อเสียชีวิตอายุเพียงสี่ปีนะแต่ตําราของเขาทุกวันนี้นี่นะเป็นแหล่งตําราสําคัญที่สุดในอิสลามแม้ว่าจะด้านนิติศาสตร์แม้ว่าจะด้านไอบาดาเนีน่ยด้าน คำราอว่าใครๆก็รู้นะอิมาวนาะวีนี่เป็นใครนมีคนรุ่นหลังนี่ที่แอบบอ้างสาลนี่บอกว่าอิมาวนะวีเนี่เป็นคาเฟ่มันเป็นสเต็เนี่ยเป็นสเตสเตแรกหนังสือหนังสือชัยร่านี่เพี้ยนไม่ต้องกระสลเผาไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอามาใส่ในบ้านไม่ต้องเอามาอ่านเอเา นเชโกราบแต่ก่อนโนขจะสอนแบบนี ن ن ้เฮ้ยหนังสืออาชารอนนี่ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะเขามีลูกศิษย์คนนึงชื่อมะ์มูดฮัดดตเขาก็เลยไปถามังนั้นก็เป็นก็เลยก็รุ่นเดียวกันน่ะนี่แล้วก็หนังสือของอิหมอิบนฮแล้วก็อิหมนนาวีละไอ้สองคนนี้ก็เป็นอาชารอมนะโอยไม่ได้พวกนี้เนี่ยเขาอาวีแล้วก็อิบนฮแม้ว่าเป็นอาชารอนี่ แต่เขาอยู่ในแนวะทางซุนน่านี่เขาก็เาก็ไม่ไม่ไม่เก็ตนะว่าเหมือนมีเส้นสายอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยแยกตัวจากเชครรเบียนะไปตั้งกลุ่มของตัวเองนะเขาเรียกกันเขาให้ฉายากันว่ากลุ่มฮัดดาดียะกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าไม่นาวีนะจะกลับ็ปอาชารเหมือนกันคุณพวกบิดา น, นะนี่นะหนังสือต้องเผาหมดเอานังสืออิหมัมนาวีกูรตูบีบนฮเอาไปเผา Mahmud h เนีมีลูกศิษคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยกาลังดังอยู่ชื่อ k h a l e ม i Mahmud k h l e i อะไ a d อะไร Abdullah Khalevi อะไรสักอย่า h i เขาบอกว่าเอาเขาจริงเนี่ย Ashar นี่มันเรื่องตีความสีทามคุณลักษณะนี่นะชาวสลับนี่อย่างเช่น Abu Hanifa บอกว่าใครที่ไม่รู้ว่าบนบัลลังก์นี่มีใครอยู่นี่นะเป็นกาเฟนี่ไง ม네ี่ไงก็ชาวซาลักเขาบอกว่าคนนี่ไม่ได้ยอมรับว่าอัลลอฮ์สถิตบนบัลลังแล้วก็ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เหนือบัลลังอยู่บนบัลลังนี่นะอย่างพวกอาชายรอนี่นะเป็นกาเฟ่แต่คนอย่างอิหม่ามนาวีกับเบนนี้เป็นกาเฟ่คาเฟ่หมดไม่เลี้ยงสนุกเลยเป็นเป็นสถิตแต่ในนี้ตามโซเชียลนี่แต่ในโลกอาหรับนะก็จะมีกลุ่มที่กําลังเถียงกัน อันนี้เป็นสเตปวุุคือเขาไปกันเขาไปกันไกลแล้วขนาดนี้แต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะนําเข้าดูมีนําเข้าบ้านเราเนี่ยนำเข้าหมดดมมีหมดเพราะเพราะไอของที่เมื่อ20ปีมันมาแล้วแต่เราเนี่ช้าช้ากว่าเขาหน่อยเราช้าไอที่จะไปไกลนี่นะมันจะมาเรื่อยๆไงตอนแรกนี่ผมนึกว่าไอพวกสุดโตองพวกมอรคอรีเนี่ยเขาก็มีแค่นี้ไงมันก็อถ้ามาเมืงไทยเนี่ยก็มีแค่นี้เนี่ยก็าาาย เ, กเกกพระ พอไหวพอสู้แต่นี่เขาวิวัฒนาการนะที่ที่ประเทศอาหรับนี่มากกว่านั้นอกีกผมก็กุ่มใจเลยบอกวนี่ถ้ามาบ้านเรานี่นะเออกำลังกุ้มใจกับตัวเองอมีข่าวจากมัสยิดทางสามจังหวัดนี่อิหม่า ม, มัสยิดนี่เป็นผู้รู้ที่มีชื่อเสียงนะดังนะและเขาจะชอบเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองอิสลามการปกครองอิสลาม แนวทางของอาจารย์คนนี้เนี่ยอิหม่ามคนนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางของอิควานการปกครองอิสลามก็คือสมัยท่านนบีลและสฮับบ้างไงและะ้วเกิดกมีหนังสือนี่อยู่ในมัสยิดเจ้าของหนังสือนี้เสียชีวิตไปแล้วก็มีกลุ่มนี้ในกลุ่มนาบีตานีนกลุ่มไอปกเนี่ยขนหนังสือนี่ไปเผาในในป่าเอาไปเผาหมดแล้วก็นั่นแหะมันมันเหมือน ม, น ม, น ม, ม, มีมีเผาจริงด้วย จะมนบิมีเตราะอินจีในบินม่เคยสั่งให้เผาเลยฮัดิสูอันบนีอิสราเลวลาฮรจลาเลเรื่องราวของบรรดอิสราเอลเอาเป็นลาเลยและนี่เป็นสาเหตุที่ทาให้ซาฮาบะหลายทนหลายคนนี่นะก็พยายามที่จะไปศึกษาจากอัลกิตาเชนอับดุลลฮอบมัสยูด อับดุลไลบ์เนี่ยอ๋มแล้วก็สหบัติหลายท่านที่ไปคุกคีกับผู้รู้ปรมจารย์ยิวคนหนึ่งรุ่นตาบียอินแต่เขาอาวโุโสนะแต่ไม่ได้มารับอิสลามใน ย, ยุคของท่านนะมารับอิสลามยุคสหบัติชื่อก่บุลอัฮบาร์เป็นปรมจารย์ของอยิวเลยความรู้เขาหนักแน่นมากก็มารับอิสลามแต่เขามีความรู้ของคำภีรเก่าไงสหบัตินี่ก็จะชอบไปนั่งฟังกับเขาเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่าเออ เหมือนเรียนศาสนาเปรียบเทียบไงพี่ดไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเผาเผาหมดมีขนาดเตรล้อละอินดีและภาถ้าเป็นหนังสือของของผู้รู้ของปราฏิมุสลิมเนี่ยแล้วพอไปดูในหนังสือเนี่ยก็มีคุอัมมีฮานีสเหมือนกันนะมีอ้างองิงถึงสาลหถึงซาฮับถึงตาเ บ, บียอินนี่ยถึงบรรดามมซฮาบในยุคสาลัหทั้งนั้น กำลังจะบอกกับพี่น้องการที่นบีจะมาเป็นพยานให้เราเนี่ยถ้านบีจะเป็นพยานการันตีว่าเราอยู่ในแนวทางของท่านว่าเราเป็นประชาชาติของท่านการที่เราจะอ้างกลุ่มอ้างมะซับอ๋อฉันเป็นกลุ่มสลับฉันเป็นกลุ่มอิควานฉันเป็นมะซับชาเวี อันนี้สำหรับท่านนาบีนียไม่เป็นสาระเลยฉะนั้นเราอยาเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นสาระใหญ่ในชีวิตของเราเกินไปแต่จะเป็นอะไรก็เป็นแต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยมีไมน่นบีมีอยู่ในชีวิตมอยู่ในหัวใจนะ่มีมในเนื้อหาการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยโตบทนะ่ะในกุรตาละฮะดิสมันมีไห เช็กเช่นดี่ภูรู้นเวลาเขามาตรวจสอบตัวเองอ่ะว่าเขานี่ใกล้ชิดกับตัวบทมากที่สุดยังไงเนี่ยบรรยายของเขานี่มันเป็นเช่นนั้นไหมเนื้อหาในการสอนคนอื่นเนี่ยมันอยู่นี่อยู่อยู่รอบๆ อ, อยู่อยู่ในปริมณฑลของคุรอ่านละฮะดีษมะหรือไปนไปนูนาา่นนั่นไปไหนก็ไม่รู้ได้ น, นิดเดียววันวันหนึน่ง ถ้าเราได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับใครก็ตามพยายามเอาเรื่องนี้เป็นเครื่องหมายตรจสอบผู้รู้คนไหนที่พยายามมอบคำสั่งสอนของอัลลอลลอรัสูลให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮลลอรัูลนั่นนั่นคือสิ่งที่จะการันตีให้เราปรากฏตัวต่อท่านนาบีและนบีจะการันตีการันตีแนวทางของเรา ถ้าวันหนึง่งอัลลอฮ์ให้เราได้เป็นผู้รู้แล้วก็สอนคนอื่นนะั่นนะพยายามสิ่งที่เราสอนคนอื่นเนี่ยให้คนที่เราสอนนี่ให้เขารู้สึกจริงๆอะว่าเราเนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นใกล้ชิดกับเรามากขึ้นรู้จักนบีมากขึ้นรักนบีมากขึ้นไม่ใช่รักตัวเองถ้าเราวันนึงเป็นผู้รูนะ้พยายามทําเป็นอย่างนี้ให้มากที่สุดว่าศรัทธาของนบี จะมีคนถามที่เราว่าใครสร้างพระเจ้ามาตอบเขาเนี่มันเป็นคําถามที่ผิดตะกะทําไมอะคือคําถามทุกคําถามนี่มันต้องมีคํคาคําตอบที่เป็นที่สุดแต่คําถามนี้ถ้าตอบไปแล้วเนี่ยมันที่สุดไหมที่สุดไหมใครสร้างพระเจ้าแล้วถ้าเราตอบละ่ะ อ, อ้าวอันนี้สร้างพระเจ้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามตอ่อและไอเนี้ยใครสร้างมันอะ แล้วมันจะจบไหมมันไม่จบอันนี้เป็นหลักคณิตศาสตร์เลยนะมีนักนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเขาได้พิสูจน์ความเป็นเอกะของของอัลลอฮ์เนี่ยด้วยสมการคณิต <c oughs> ศาสตร์มันต้องมีที่สุดของทฤษฎีที่จะต้องให้เป็นคําตอบของสมการที่จบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีที่สุดฉะนั้นถ้ามีใครถามว่าคําถามนี้มันมันมันคำถามผิด ทำไมเพราะคุณกาลังถามถึงที่สุดของสมาการล่ะที่สุดของคำตอบนี้ก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างอันนี้คือที่สุดแล้วถ้าคนยังบอกว่าไม่ยิ่ที่สุดแล้วก็มันมีอีกน่ะนะมันจะไม่จบแล้วสิอ่าเช่อนอีกตัวอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเทียบได้เราเนี่ยรู้จักพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่นี่ตลอดชีวิตมีคนมาให้ดูเลยในว่าเราตอนตอนทารกตอนแม่ท้องอยู่รู้หมด นี่นาอานี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเองเนี่ยแม่ตัวเองนี่คอด้วยแล้วก็นี่พ่อด้วคือสิ่งวรรล้อมทั้งหมดนี่นะกำลังบอกว่านี่คือพ่อแม่บัตรประชาชนสุทธิบัตรทั้งหมดแต่มีคนบอกว่าแกมันใจได้ไงว่านี่คือพ่อแม่ของแกคือถ้าถ้ายอมให้เขาถามแล้วเราก็ไปหาํำตอบนะแสดงว่ารบบนี้แสดงว่าเราในบ้านแล้วใช่ ที่สุดของสิ่งที่มันประจักษ์ในชีวิตของเราเนี่ไม่ต้องให้มีคําถามเนี่ยมามาเก่อข้อสงสัยกับเราเห็นกําลังเห็นดวงอาทิตย์อยู่ถ้ามีใครอาบอกว่านี่มันชีดวงอาทิตย์และนี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือไฟหลวงไอนน้ที่มันประจักษ์กับเราชัดเจนแบบนี้นะแล้วยังจะมีคนมาสามารถสร้างความสงสัยแล้วเราก็เปิดอกให้เขา มามาคุยกันคุยได้คุยได้ไม่ใช่ของนี่มันประจักษ์นี่มันคุยไม่ได้หรอกถ้าจะคุยได้เนี่ยแสดงว่าแสดงว่ามันไม่จบคําถามที่มันไม่ไม่มีตรกกะตอนที่เชฟบอกว่ามีที่บ่อน้ำดีมีเสียงของเราบอกว่าคนเอาแยกห้าหนี้าพันมีนักศึกษาไม่เจ้าไม่รู้หรอกว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไงมีทีมที่แล้วั่งหว่าเป็นทีมงานมาห้า มีบางรงงานบอกว่าที่มากรีดกั้นเนี่ยแต่นี่ผมพูดถึงเสียงนะเสียงที่ตอบท่านนบีนี่คือแต่ที่มากีดกั้นเนี่ยมีรงงานรเจร์ีลใช่ سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا اللّه علّا أن ت َ س ْ <ؤ> ع ف ر َ ا ل ل ه ُ ن ا م ح ع ل ي ِ ر ح م ة ا ل ل ه